พระธรรมเทศนาแผ่นที่63ลําลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าใช้ปัญญาหาทางไม่มาเกิด วันนี้เป็นวันที่25สห้ามิถุนายนพุทธศักราช2 5 5พรพระในวัดของเราช่วงนี้ทั้งพระใหม่พระเก่าทั้งหมดส4บสี่รูปนะพระทั้งหมด44องค์สมณีหนึ่งแต่วันนี้พระลงมาชัน38งดไปห เมื่อวานหลวงพ่อจะเรียนหรือว่าบอกกล่าวให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบแต่ไฟฟ้ามันดับปุ้งดับปั้งเมื่อวานทั้งสองครั้งหลวงพ่อก็เลยหยุดพูดไฟฟ้าดับแต่ละครั้ง เ, เสียงไมดังเหมือนกับหลายประทัดก็เลยหยุดพูดแต่วันนี้หลวงพ่อจะท้าวความเมื่อวันที่ยี่สิบสอง มิทุนาหลวงพ่อไปฉันอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทอดผ้าป่าสามกีคณะสงฆ์ทั่วทุกจักรทิศมาร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินตึกหอพิบาลสง์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหาเงินเขามูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์ เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาได้จตุปัจจัย6ล้านกว่านะ 6, ล้านกว่าเข้ามูลนิทิหล้านหนึ่งแสนกว่าแต่ปลายหลวงพ่อจําไม่ได้แต่6ล้านหนึงแสนกว่าบาทแต่วัดของเรานะที่รวมกันทางหลวงพ่อสงบวัดน้องแสงส้อยผ่านฝากมากับหลวงพ่อหนึ่งแสนและก็ทางคณะศรัทธทาญาติโยมวัดของเราก็ รวมสมทบเข้าไปอีก 300,000 แล้วก็จิตุปัจจัยที่ญาติโยมใส่ซองที่เขาเอาซองมาหลวงพ่อให้ซองไปหลวงพ่อไม่ได้เปิดแต่ญาติโยมก็เปิดทางนู้นเขาว่าได้ประมาณเจ0 0 0มกว่าบาทนะการรวมแล้วก็ปัจจัยที่ผ่านวัดของเราหรือปัจจัยกลุ่มของเราทั้งหมดเป็นเงิน4ี่0 0 0เกว่าบาท พี่น้องประชาชนทุกคนอนโมธนาเนอรให้พวกเราได้บุญได้กุศลมากๆทุกคู่ทุกคนเพราะดูแลพระสงฆ์อาพาธปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้ทำบุญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดอยากจะปฏิบัติเราตถาคตอย่างปฏิบัติเราก็ไหเหมือนกับพระอนนันพระอนุน ปฐมประถาพ ร, ระพุทธเจ้านะ่ะคร้าๆว่าผู้ใดอยากจะได้บุญเหมือนกับพระอนุนปฏิบัติเราตถาคตให้พวกเธอท่านทั้งหลายปฏิบัติภิกษุไข้ภิกษุค่าภิกษุที่ทรงศีลทรงธรรมที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้ทำบุญอย่างนี้แหละเอาจตุปัจจัยเพื่อจะให้ดูแลพระสงฆ์อาพาธเมื่อท่านหายจากการอาพาธ ท่านก็จะได้ประกาศพระาศาสนาบอกกล่าวศีลธรรมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเป็นบุญเป็นกุศล ส, สำหรับพวกเราที่พวกเราได้ดูแลสองอาพาดเท่ากับได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้านะนี่แหละอันส่วนหนึ่งแต่วันที่23หลวงพ่อก็ออกไปฉันข้างนอกอีกทางวิทยาลายัยพยาบาลราชช น, นี จังหวัดอุดรณุณเขาสร้างตึกเขาทำตึก11ชั้นสำหรับพยาบาลงบของรัฐบาลน่ะเขาบอกว่างบะอะไรร้อยสล้านมัน้งข อ, อนิมทลหลวงพ่อไปช่วยทำวางศิาลาฤกษ์ด้วยแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อวางศิาลาฤกษ์นี่นก็เป็นประเพณแีแค่ว่าบอกกล่าวหรือว่าเป็นปฐมฤกษ์เป็นเบื้องต้นประกาศให้คนทั้งหลายรู้ ว่าจะสร้างอาคารแต่หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะั่นะอันนี้เป็นเรื่องของพรามแต่องค์หลวงตาท่านก็ทำนะเพราะนั้นหลวงตาพาทำหลวงพ่อก็คิดว่าคงจะไม่ผิดแปลกแตกอะไรมั่งเพราะอันนี้คือสาธารณชนหนะลวงพ่อก็ได้วางศิลเลิกวันที่23่สิตึกของวิทยาลายัยพยาบาลทางออกไปทางโนนสูงนะั่นะกำลัง ตอกเสาเข็มเสร็จแล้วล่ะเอากำลังจะเริ่มแล้วจะไจะเริ่มขึ้นล่บริษัทเห็นเจ้าของชื่อว่าบริษัทโตวันนะเป็นบริษัทของเมืองอุดรเนนะี่ยเริ่มขอสร้างนละเมื่อวันที่23แต่วันที่24ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็พักแล้วนะไหนไม่ได้ไปไหนเมื่อวานเนะี่ยแต่ก็เดินไปดูสระเหมือนกันนะสระน้ำทางหลังวัด นั่งรถไปดูสะน้าทางหลังบัสก็ถามเจ้าหน้าที่ทหารที่มาทำอยู่นี่เป็นเดือนกว่าแล้วเนะี่ยก็คิดว่าประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หลวงพ่อคงจะเสร็จได้หลวงพ่อเห็นแล้วก็โอผลงานของลูกหลานเป็นที่พอใจที่หลวงพ่อเห็นขุดสะใหญ่ใหญ่มากไม่ใช่ขุดหรอกลอกลอ ก, ลอกสะกององค์หลวงตาขุดให้ลึกลงไป ต่ก่อนพื้นลงไปในประมาณ 7-80 ถึงเมตรนะแต่เดี๋ยวนี้ขุดลงไปให้ก้นมันแคบลงให้มันลึกเดี๋ยวนี้ก้นมันก็ประมาณสักเ0เมตรเนะทําถามดูแต่ยังไม่ได้วัดดูแต่หลวงพ่อเองก็วิตกกังวลอีกเหมือนกันเพราะว่าขึ้นดินใหม่มันสูงมาก แต่เราไม่ได้วัดดูนะจะถึงสิบเมตรแล้วเปล่าจากฝั่งมาลงไปนะ่ะลึกนะหลวงพ่อไปยืนในฝัง่งมองลงไปนะ่เหมือนกระหวเลยละ่ะหลวงพ่อก็ยังนึกเป็นห่วงเป็นไปได้แค่นี้แหละให้คณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลาน ช, ช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดยังไงก็คืออยากจะให้แต่ทำยังไงขุดสะทั้งทีแล้วน่าจะวานพวกข้าวหรืออะไรปลูกสำหรับไมใ ห, ให้มันดินมันสไลด์ กันกันเอาไว้มากกว่านั้นก็ควรจะปลูกพวกไม้ใหญ่ประดูมักข่าตะเคียนทองไม้สักให้มันเป็นป่าดงขึ้นมารอบๆอบสระแล้วก็อย่าเน้นแต่เรื่องต้นไม้ผลต้นไม้ใช้ประโยชน์อย่างเดียวควรจะควรจะใช้ไม้ผลด้วยพวกฟรองฟรังพวกลูกว่าพวกลูกไซต้นไซต้นว่า ต้นฟรังต้นสมพู่ขันนนมะม่วงควรจะปลูกคละคละกันหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุาลายเพราะลุงวัดของเราเป็นวัดที่มีสัตว์เยอะนะพวกนกพวกเล็งพวกข้างบางชนีอย่างน้อยก็ได้กินผลหมากลากไม้ของพวกเราได้ปลูกคละค ล, ะคละกันกับต้นไม้ป่า ถ้าปลูกแต่ต้นไม้ป่าอย่างเดียวมันก็แห้งแล้งเกินไปไม่มีผ ล, ลไม้ให้พวกสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเน่ยเราปลูกไม้เราปลูกต้นไม้ต่อไปในขกลงจะมีไม้อะไรสลับตรงกลางบ้างเพื่อให้พวกสัตว์ทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยพวกเราทางเราจะไปเลี้ยงแต่อาหารพวกข้าวอย่างเดียวหรือว่าอาหารที่เราพวกลักงลักกอ อย่างที่พวกเราให้เล็งมันก็ไม่ไหวเหมันการควรจะมีอาหารอาหารธรรมชาติด้วยเสริมเข้าไปเนี่ยอาหารธรรมชาติเนี่ยเราพวกเราจะหาได้ยังไงเนี่เช่วยๆกันปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกูบาทั้งหลายอย่างสากเก่าตรงไหนที่มันมีสักถ้าเป็นไปได้ก็นะั้นเอาพวกได้หญ้าตัดหญ้าออกแล้วก็ควรจะปลูกพวกลูกว่าะ แล้วว่าลูกผ ล, ลไม้พวกฝรั่งมักซีดาของเราเนี่ยปลูกปลูกเข้าไปเพื่อจะให้พวกสัตว์ราศีสิงห์ได้พึ่งพาอาศัยผ ล, ลไม้นะสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดเหมือนกันนะเขาเราเราเขาใครใครหิวก็ไม่ดีทั้งนั้นแหะเราหิวก็ไม่ดีพวกสัพพสัตหิวก็ไม่ดีถ้าเราเห็นลิงพร้อมๆแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะ มาชูพึ่งพาอาศัยเราอาหารของเราอุดมสมบูรณ์แต่เปลงที่มาอาศัยเราก็รู้สึกมันผอมอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจหรือปลาอยู่ในสระเหมือนกันปลาอยู่ในสระน้ำมีหัวโตๆ ต, ตัวรียบๆแสดงว่าปลาหิวอาหารเราก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องได้มองดูอาหารของปลาอีก ซื้อมาไว้หวานลงให้ปลากินสงสารมันต่างคนก็ต่างเกิดมาใช้กรรมของใครของเรามันก็ไม่อยากจะเป็นปลาหรอกแต่มันทำยังไงได้กรรมของมันลิงก็เหมือนกันมันก็ไม่อยากจะเป็นลิงมันก็อยากจะเป็นมนุษย์แต่มันเกิดยังไงกรรมมันไปนใช้ให้เกิดเป็นลิงมันเกิดเป็นลิงเราเป็นมนุษย์เราควรจะ จะทํำยังไงให้มันมีความสุขบ้างเพื่อให้มันหิวจนเกินไปเราก็กลัวนายอาหารมันบ้างแต่พวกเราก็เหมือนกันแต่เรามาเกิดอย่างนี้เราก็ยังคิดว่าถ้าเกิดมาเป็นเศรษฐีรวยๆ่านี้ก็จะดีนะ น, นี่แหละจิตใจของมนุษย์ชาติหรือมนุษย์โลกหรือว่าสัพพสัตต์ทั้งหลายนี่ไฝ่สูงสรุปแล้วไม่มีใครที่จะ อ, อืข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาชาติหน้าขอให้ครอบ ขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นลิงเนี่ยเป็นหมูหมากาไก่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นมีแต่คิดในใจเออตั้งความปรารถนาเอาเถอะข้าพเจ้ามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าด้วยอเนกสง์ทานศีลภาวนาอเนิสงคุณงามความดีขอให้ข้าพเจ้ามีสถานะดีขึ้นกว่านี้มีสติปัญญาอา่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เป็นผู้ มีศรัทธาแล้วก็ให้เป็นผู้มีความล่ำรวยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติโกโหติกาทั้งหลายก็ให้เป็นที่เข้าใจกันมีเมตตาต่อกันให้เกิดในกลุ่มที่คนเป็นคนดีขอให้ข้าปเจ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นสัมมาทิธฐิเป็นคนดีเกิดในภพใดชาติใดขอให้คาว่าทุกข์ยาก ยากจนอย่าให้มีกับข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดขอให้ได้ดังที่อยากจะได้อย่างสมความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาน อ, อันนี้ก็คือความไฝ่ของมนุษย์แล้วก็ปรารถนาที่สุดในเมื่อข้าพเจ้ า, าบำเพ็ญไปแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกในวัตระสงสาร อย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัดตักสงสารในที่สุดด้วยเธอนนะอันนี้ก็คือความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายนี่สัพพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะไม่มีใครที่จะไฟต่ามีแต่ไฟสูงอยากจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่จะทำอย่างไรได้นะบางทีก็อยากจะทำความดีอยู่แต่กิเลสมันดึงลากลงไปอ อยากจะลุกมาไหว้พระแต่ความว่วงเงาเหานอนเอาไปมานอนชักน้อยเถอะกิเลสมันชวนนะวนไปสู่ก็หลับไปเลยแปลว่าเฝ้าไปแล้วฟันนะไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นั่งภาวนาเนี่แหละอันนี้คือกิเลสฝ่ายต่ํามันดึงลากลงไปกว่าจะฝืนกว่าจะสู้มันได้กว่าที่จะเอาชนะมันได้ยนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ ด้วยตั้งจิตอธิษฐานด้วยความสัตว์จริงวันนี้ถึงยังไงข้าพเจ้าจะต้องไหว้พระทุกวันทำวัดทุกวันไม่ให้ขาดถึงจะมาจากที่ไหนก็ตามการไหว้พระสวดมนต์ข้าพเจ้าจะไม่ขาดแต่ละวัน น, นี้เรานะถ้ามีสัจจะอย่างนั้นที่ความจริงใจจริงจังและจริงใจอย่าไปโกหกตัวเองเนีน่เมื่อตั้งสัจจะลงไปแล้วนะ อันนี้เราก็ทําได้แต่ถ้าวาดเอาถ้าพอมันมีเวลาเราก็ทำไม่มีเวลาเราก็ไม่ทําผลี่สุดมันจะไม่มีเวลาใช่มากกว่าเพราะกิเลสไฟต่ำํำมันจะชอบดึงลากเราลงไปทางต่ําเสมอๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราให้สังเกตนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยให้พวกเราสังเกตตัวเองจริงไหมถ้ามันจริงเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่าให้มันกิเลส ดึงลาก เ, าเราลงไปในทางต่ำสิ่งไหนที่เป็นทางต่ำเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นทางต่ำทางหายนะอย่างที่โยมมาเมื่อวานพูดกระมูกกระมับผมอยากจะเป็นคนดีอยู่แต่ว่าว่าจะทำดีเลยว่าจะหยุดละ่ะการดื่มโซดาและการเที่ยวพอลูกก็ใหญ่โตแล้วแต่ถึายัางไงพอเขาโทรศัพท์มาหน่อยเดียวเทนะ่านั้น ไม่ถึงหนึ่งสองนาทีมันใจมันแววับละ่ะเอาชนะใจของตัวเองไม่ได้สักทีครับหลวงปู่ครับไม่รู้จะเอาอยัางไงโอจะทำยังไงได้ไม่จุกับตัวเองถ้าเราไม่เข้มแข็งแต่เราก็ต้องเข้มแข็งด้วยเหตุผลอายุขนาดนี้การงานขนาดนี้หน้าทีการงานขนาดนี้ผู้เกี่ยวข้องมีขนาดนี้การประพฤติของเราอย่างเหลวแหลกแวกแนวอยู่อย่างนี้ มันถูกต้องหรือเปล่านะเรามีเหตุมีผลแล้วก็เราก็ตัดสินใจทันทีเลย อ, อย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเวียงวังมีความสุขขนาดไหนอทุกอย่างยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายทุกอย่างดีสิเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็คิดในพระทยัยในใจของพระองค์ถ้าว่าเราอยู่อย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้า ก็ไม่แพ้กับพชนกช น, นีพาอายกาอายกา ร, าการปู่ย่าตายายพูดง่ายๆปู่ย่าตายายพ่อแม่วงสาขาญาติก็ทิ้งสมบัติเป็นทอดทอดมาออพอได้รับสมบัติก็เถออีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งอีกแล้วเราจะทำอย่างนี้เหรอไม่มีช่องทางอื่นเหร อ, อ, อที่จะให้ดีกว่านี้ พระพุทธเจ้าท่านคิดท่านคิดถ้าคิดอย่างพวกเราคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าท่าพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจา้าเนี่ยท่านต้องคิดเหนือกว่ามนุษย์นะแนวความคิดของท่านแต่พวกเราจะไปคิดได้อย่างไงมีความสุขแล้วก็แชรอยู่ในความสุขของตนเองเหมือนกับหมูอยู่ในเลา้าอย่างนั้นนะเฮ้หมูไก่อยู่ในเลา้า ได้เวลาเขาก็เอาอาหารมาให้กินเอาน้ำมารดมาอาบหมูก็นอนอมีความสุขแต่ที่ไหนได้อีกสักวันหนึ่งอพอได้ขนาดแล้วเขาก็จับไปค้อนทุบหัวเชือดคอฮนั่นแหละอันนั้นก็คือมันสุขไหมนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองมองดูเหนือกว่ามนุษย์มนุษย์เราเหมือนกับนั่นแหละได้จะเปรียบเทียบกับ เหมือนกับหมูอยู่ในเล้าในกรงในอคอกนั่นแหละพิจารณาดูสิันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบมนุษย์ให้ตกต่ำนะแต่เรามองแบบพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกที่ท่านมองสรรพสัตว์ในโลกติดอยู่ในลักษณะอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นถ้าเราจะไปอยู่อย่างนั้นเหมือนหมูอยู่ในเล้าในอคอกอย่าง น, นีมันไม่สมควรยิ่งเราควรจะหาทางออก มันมีอยู่หน้าทางออกเนี่ยพอโลกก็นได้มีมืดมีสว่างมีดีมีชั่วมีร้อนมีเย็นมันเป็นคู่กันอันนี้มีเกิดมีตายสิ่งที่มันไม่เกิดนะไม่ตายมีไหมไม่เกิดแล้วไม่ตายมีไหมนี่แหละเราควรจะสอแสวงหาจุดนี้นี่แหละพราะพพุทธองค์จึงไม่มีความสุขในการเสวยที่เป็นทางโลกนะ ที่สวยหาความสุขที่เป็นครว่าต์นะีท่านมองดูเหมือนกับมีเปลวเพลิงแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆในพระไทยในใจของพระองค์มองดูแล้วมีแต่ความทุกข์จะทํำยังไงจึงจะหนีออกจากเฟียงวังไดนะ้นี่แหละอันนี้ก็คือความคิดของพระองค์จากนั้นคือจึงได้เวลาก่อนที่จะตัดสินพระไทยได้ก็ น, นุ่นยี่สิบปีอายุยี่ปีใครเข้าว่าเป็น ผู้ใหญ่เต็มที่แล้วนะแปลว่าคนอายุปีเนี่ยรู้บรรลุนินติภาวะอายุ20ปีอันนี้ท่านเลยไปถึง29ปีเกือบจะว่าครึ่งครึ่งครึ่งคนะเข้าไปในกลุ่มกลุ่มครึ่งคนถ้ามีกำลังกับว่ากำลังร่างกายเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์อายุ29ปีก็ว่าสติปัญญาและแนวความคิดก็รู้สึกว่า เข้าขั้นที่จะต้องรอบคอบขึ้นมาอย่างลึกซึ้งล่ะแปลว่าการตัดสินใจอะไรอยู่ในวัยนั้นแปลว่าเด็ดขาดเป็นวัยที่มองอะไรพร้อมที่จะทำได้เดินได้ปฏิบัติได้แต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่างลงพ่อเนี่ยนึกย้อนหลังดูสมัยเมื่ออายุ25ปีมาถึง45้าปีเนี่ยเป็นช่วงที่ แนวความคิดเนี่ยทำอะไรในใจคิดยังไงการกระทําหรือกายของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะสนองรับแต่พออายุห้าปีเข้ามาเนี่ยถึง70ปีเนี่ยลาละละอะไรได้แนแถึงจะคิดยังไงกันละเอียดเราจะก้าวเดินไจะไม่หกล้มหรือเนี่ยมันจะลื่นหรือเปล่านี่ถ้าหกล้มมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่านี่เนี่ยมันรอบขอบเกิดขึ้นเยอะแยะ ที่จะตัดสินใจไม่ตัดสินใจได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราก็ไม่พร้อมไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันแข็งถึงจะมันจะหกลบเลยจะพอมันจะรกระโดดได้ฮแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลพะพยุงตัวก็ทั้งยากละเพราะมันรื่นหน่อยเดียวท่านากน็งายหลังพึ่งเลยแล้วลมันคุ้มค่ากันไหมเิ่นนี้หัวนอกพื้นล่ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราได้สังเกตตัวเองคืออายุขนาดไหน อยู่ในวัยขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านอายุวัย29ประชนพันษาพระองค์ตัดสินพระทัยเลยเ อ, ออกบวชคิดแล้วคิดอีกพอเนื้อกระตัดสินพระทัยออกหนีออกจากเวียงวังกลางกลางคืนเลยเไปกระทายชันนะแล้ก็ประกาศในใจข้าพระเจ้าจะไม่กลับหลังเด็ดขาดเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเด็ดขาดขนาดนั้นข้าพระเจ้าจะไม่กลับหลังเด็ดขาด เดินหน้าเท่านั้นข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วเห็นแล้วเห็นโทษแล้วทุกอย่างแล้วจะถอยหลังไม่ได้เดินหน้าเท่านั้นฮงนี่แหละอันนี้ก็คือที่ท่านได้อย่างนั้นก็คือท่านเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวความอาจฐานของพระองค์จากนั้นก็เสด็จไปอยู่ในป่าท่าทุกวันนี้ คนทุกวันนี่ก็คงจะเป็นขี้ปากคนทั้งบ้านทั้งเมืองล่ะแต่พระองค์ไม่แยแสไม่ได้สนใจกับปากของคนแต่พระทัยใจของพระองค์น่แน่วแน่นะที่จะต้องปฏิบัติธรรมจากนั้นพระองค์ก็เป็นคนขอทานเห็นไหมเป็นคนขอทานใครเข้าการเลี้ยงชีพด้วยการบินทบาทนะเลี้ยงชีพไปบินทบาทมานั่นวันแรกเขาบินท่าบาทมาเห็นอาหารอยู่ในบาท สําหรับกับข้าวชาวบ้านเขากินอะไรเขาไม่ได้มีถุงพลาสติกเขาไม่ได้ห่ออย่างพวกเรานะเขามีอะไรเขาก็ตักใส่บาตรตักใส่บาตรทั้ทงแกงขี้เหล็ก among, ทั้งแกงบออลทั้งหวานทั้งข้าวอะไรเขาก็ลงใส่ในนั้นเขากินอะไรเขาก็ตักลงใส่บาตรสิทธัถะไปบิณฑบาตรวันแรกท่านก็มองเห็นบาตของท่านอขนาดที่เพียงพอสําหรับคนคนหนึ่ง อาหารขนาดนี้เพียงพอจากนั้นพอเอาอาหารมาแล้วท่านก็อมองอาหารในบาทของท่านโอ้เราจะทานได้เลยนี่เราจะเสวยได้เลยนี่เพราะพระ อ, องค์อยู่ในสภาพหนึ่งคือเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสําหรับกับข้าวนส่งเข้ามาน่ยวันละร้อยหลายร้อยรสเนี่ยช้อนก็ต้องช้อนเงินช้อนทองผู้ที่เอามานั่นแ่ละ พาสวยอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่แบบปลาชาแต่บัด น, นี้อยู่แบบอนาถาขอทานในต่างหากเป็นนักพรตนักบวชพวกเราคิดดูสิเปรียบเทียบกับพวกเราเดียเ๋ยวนี้ที่เราเป็นพระอยู่เดี๋ยวนีนะ้เรานึกคิดสิพระพุทธเจ้าบรมครูของเรานะไม่ใช่ผู้หรูหราโออาท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษท่านเป็นผู้รู้เท่ารู้ทันจริงๆ จากนั้นพระองค์ก็ทำยังไงพระองค์ก็สอนพระองค์จะให้ใครสอนท่านนะพระองค์สอนพระองค์สิทธัทธตตะก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเธออยู่แบบปาชาแต่บัดนี้เธอสละหมดทุกอย่างแล้วหนีออกจากเวียงวังมาบวชเป็นนักพรตนักบวชอยู่ในป่าเราต้องบิณฑบาตอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ เมื่อเขาทานยังไงเขากินยังไงเขาก็ตักบาทให้เร า, เ, าเราจะไปเรียกร้องอาหารอย่างนู้นอาหารอย่างนี้ได้เหรือว่าเราเป็นคนขอเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเราให้ยังไงเราทานอย่างนั้นวันแรกท่านสิท ธ, ธัตถะพุทธเจ้าของเราท่านก็คงจะหลับหูหลับตาเนีเ่ยทานอาหารเพราะอาหารมันไม่ใช่เหมือนอาหารในเบียงวังฮะ พอทานอาหารเสร็จแล้ววันแรกผ่านไปพระองค์ก็อื้ก็ไม่เห็นมีอะไรร่างกายก็รับได้ เ, เหมือนกับร่างกายเหมือนแต่ใจปุ๋ยต้นไม้ท่านเองเอพอฉันอิ่มแล้วก็ร่างกายก็ไม่มีอะไรกับปีกระเป๋าพอถึงจะทานอาหารดิบดีขนาดไหนก็เถอะ เ, เวลาออกไปข้างล่างแล้วมันเหมือนกันทั้งหมดมันไม่ได้เลือกว่าอาหารนี่ดีอาหารนี่ไม่ดี อาหารนี่ดีโอออกไปแล้วเป็นเงินเป็นทองเป็นทองคาไม่ใช่มันก็เป็นอันนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเราอย่างชีพให้เป็นไปแล้วก็พอเนี่แหละอันนี้ก็คือการส่งส่วยพระกยาหารของพระพุทธเจ้าหรสิท ธ, ธิัตทะในวันแรกนะพวกเราได้อ่านดูในพุทธประวัติแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาซึง้งฮะซึ้งในแนวความคิดของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ สวยเนียบินทบาทมาเรื่อยอดเอกทนี่อดครั้งสุดท้ายถึง49วันอย่างพวกเราเห็นนะร่างกายผายผอมไปหมดเลยจนขนหลุดลูกไปที่หนังนี่ขนหลุดหมดเพราะขนไม่มีน้ำเลี้ยงของร่างกายเพราะน้ำมันแห้งขนหลุดลูกเพราะฉะนั้นขนหลุดนี่แหละทารบอมเพนทุกขกักริยาถึง49วัน ผลในที่สุดท่านก็บอกว่าไม่มีหรือศีสษีไพหรือนักพลตนักบวชไหนที่จะทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้เราเหยียบเส้นแดงเราจะเลยไปคนนี่ตายแน่ อ, อ, อันนี้คงไม่ใช่ทางท่านก็กลับมาสวยปัญญาหารนี่แหละใครเข้าวัดการทดลองทดสอบพระพุทธเจ้ามากมายหลายอย่างพวกเราได้ศึกษา พอสวยพกกยาหารเสร็จแล้วท่านก่อนบำเพ็ญทั้งด้านจิตใจเท่นี่อันนั้นคือท่านทรมานกายแต่ลวงตาทําไมท่านรู้แล้วว่าการอดพกกยอาหารการอดอาหารเนี่ยไม่ถูกเป็นอัตตะกิลมัตถาไม่ใช่มัชชิ ม, มาปฏิปทานะลวงตาท่านให้เหตุผลว่าลวงตามหาบัวสายลวงปู่มันท่านบอกว่าการทานอาหารคําว่ามัชชิ ม, มาคํานี้น่ะ มันอยู่ตรงไหนตรงกลางเรากินอิ่มทุกวี่ทุกวันพอกินอิ่มเข้าไปแล้วก็ตาปื๋พอหนังท้องตึงตาก็ปือ๋อยากจะหลับอยากจะนอนอย่างเดียวแล้วเรามาอยู่ในป่าดวงพงไผ่นี่เราจะได้ภาวนาอย่างไรถ้ามีต่นอนตาปื๋อยู่อย่างนี้เพราะนั้นต้องอดทดลองอดดูซิไม่ใช่อดให้ตายพระพุทธเจ้าอดท่านอดจริงๆ ท่านไม่ได้คิดอะไรมีแต่อดภักยาอาหารแต่พวกเราอดอาหารเนี่ยเราภาวนานะทีนี้เออเวลาเราอดอาหารเนี่ยเราภาวนาเป็นยังไงสังเกตตัวเองถ้าอาหารน้อยอาหารน้อยในท้องภาวนาเป็นยังไงอาหารมากเป็นยังไงเอออดอาหารวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันหวันหกวันเจ็ดวั น, วนเป็นยังไงให้เราสังเกตเวลาการ ภาวนาเหมือนกับเราทำมาค้าขายนะค้าขายอย่างนี้ได้กำไรขาดทุนอย่างไรคนอย่างนี้มาอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เราขายอย่างนี้ได้กำไรและขาดทุนอย่างไรอันนี้คือให้เป็นผู้สังเกตให้เป็นผู้ให้พวกเราใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์มีแต่แนะนำบอกกล่าวเท่านั้นเองอดอาหารดูนะอดอาหารดูนะอดนอนดูนะ อย่าไปทำแต่ตามใจตัวเองเกินไปนะถ้าทำตามใจตนเองเป็นยังไงภาวนามันดีไหมทานมันไม่ดีลองทดลองดูสิลองอดวัน2องวัน3ามสี่หวันดูสิเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านนะไม่ใช่บังคับนะไม่มีการบังคับแต่ว่าทาว่าอยู่เป็นวันวัน โดยที่ไม่ได้อดนอนผ่อนอาหารเลยอยู่ซื้อบือ้อซื้อบื้อไปทุกวันกิเลสมันไม่ซื้อบื้อนะทีนี้มันทับถมขึ้นเรื่อยๆกิเลสลาคานะโดยมากจะเหยียบจะเหยียบพระผลในสุดจะอยู่ในาศาสนาไม่ได้เอาเพราะเหตุไรเพราะอมองอะไรมันสวยงามไปหมดข้างนอกทีนี้เป็นสวรรค์ชั้นฟ้าไปหมดผลในสุดโน่นน่นะเท่าแก่ชานะราเพราะน่ะจึงจะมองเห็นอ๋อขาไม่น่าจะศึกมาว่า ที่ไหนได้มันไปพอแรงแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้หลวงพ่อเองเปรียบเทียบให้พระลูกพระหลานคณะัตธาญาติโยมได้ฟังเป็นแนวความคิดให้ใช้สติใช้ปัญญาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสรุปแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ บําเพรนทางจิตภาวนาเข้าสู่จิตใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนะั่นแะไปอยู่ที่ไหนในะสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะเกี่วยวกับการภาวนาและการปฏิบัติหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเน้นแล้วเน้นอีกอสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงการเดินเข้าสมถะทํำยังไงแล้วก็เดินวิปัสสนานะเดินอย่างไรหลวงพ่อเลยย้ําแล้วย้ําอีกอ ถ้าพวกเราได้ฟังใน MP3 หลวงพ่อแล้วก็คงจะหาครูบาอาจารย์นในขั้นระดับหลวงพ่อเนี่ยที่จะอธิบายหรือว่าแนะนําบอกกล่าวนะตรวงพอมองดูแล้วคงจะยากแต่อันนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองนะให้พวกเราฟังดูก็แล้วกันที่หลวงพ่อพูดแต่เหมือนกับหลวงพ่อขี้อวดไกลๆแต่ตามไม่จริงไม่ใช่หลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงพูดที่จะพูดให้ฟังแบบ บุรณาการอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าที่หลวงพ่อได้ฟังม า, มากต่อมากแต่หลวงพ่อเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรรู้เห็นอย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรจากพระไตรปิฎกจากหนังสือจากธรรมเล็กขิดหรือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากศรัทธาญาติโยมจากใครต่อใครหลวงพ่อได้พบได้เจอได้เห็นแล้วก็นํามาบอกกล่าวให้พาลูกพาหลานคณะศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นแนวความคิด เพื่อการศึกษาและก็จะได้พยุงตัวเองปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งไหนที่มันจะหายะนะหรือสิ่งไหนที่มันจะเป็นโทษสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวของพวกเรานะวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งตอนน่อเนไปพระสงฆ์จ้าทุมโอธนาให้พรรับพร